แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเกตข้อข อ, ขอค้นเหตุปัใจจัยให้พบด้วยปัญญาไม่หมัวหาที่สั์ทอดอริยสัจข้อ2สมุทัยสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาเข้ามาตอนนี้เพราะเป็นเรื่องที่ถึงลำดับคือเมื่อต้องการดับทุกข์ ก็ต้องกำจัดสาเหตุของมันเมื่อกำหนดหรือจับได้แล้วว่าทุกหรือปัญหาของตนคืออะไรเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ถึงเวลาที่จะสืบสาวหาสาเหตุต่อไปเพื่อจะได้ทำกิจแห่งปะหานะคือละหรือกำจัดมันเสียอย่างไรก็ตามแม้เมื่อค้นหาสาเหตุคนก็มักเลี่ยงหนีความจริงชอบมองออกไปข้างนอกหรือมองให้ไกลตัวจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมักมองหาตัวการข้างนอกที่จะซัดทอดได้หรือถ้าจะเกี่ยวกับตัวเองก็ให้เป็นเรื่องห่างไกลออกไปจนรู้สึกว่าพ้นจากความรับผิดชอบของตนสิ่งที่มักถูกซัดทอดให้เป็นสาเหตุนั้นปรากฏออกมาเป็นลัทธิที่ผิดสมประเภทคือหนึ่งปุเพกะตะวาทะลัทธิกรรมเก่าถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงที่ประสบในบัดนี้ เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ปางก่อนไม่ว่าจะพบทุกเจอสุขอะไรก็ยกให้เป็นเรื่องกรรมเก่า 2. อ, อิสวนนิรมิตวาทะลัทธิพระเป็นเจ้าถือว่าสุขทุกทั้งปวงที่ประสบในบัดนี้เป็นเพราะการบันดาลของเทพผู้เป็นใหญ่ไม่ว่าจะหนีเรื่องร้ายหรืออยากได้เรื่องดีก็หวังบารมีเทพเจ้า3อเหตุวาทะ ลัทธิคอยโชคถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงที่ประสบในบัดนี้เป็นไปเองแล้วแต่โชคชะตาที่เลื่อนลอยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรอะไรจะดีหรือร้ายทำอะไรไม่ได้ว่ารอให้ถึงคราวก็จะเป็นไปเองอิสวนเนรมิตรวาทะเรียกอีกอย่างว่าอิสวนกรณวาทะหรืออิสระนิมมานวาทะ หรืออิสระกุติวาทะอีกประการหนึ่งกล่าวโดยเฉพาะปุเพกะตะวาทะพึงระวังแยกจากหลักธรรมของพุทธศาสนาให้ดีขอย้ำว่าเรื่องนี้น่าศึกษามากดูเหมือนชาวพุทธจำนวนมากจะพยายามหลบเลี่ยงไม่ยอมมองดูหลักพุทธศาสนาข้อนี้การที่ท่านย้ำไว้ในคำพตีตั้งหลายแห่งน่าจะเป็นข้อสาคัญซึ่งหากศึกษากันให้ดี อาจช่วยให้ความประจ่างเกี่ยวกับหลักกรรมในพุทธศาสนาได้อีกมากไม่น่าจะโมลเรี่ยงหลบกันไปมาคำพีสัมโมหวิโนทนีกล่าวว่าวาทะที่หนึ่งลัทธิกรรมเก่าเป็นลัทธินิครณวาทะที่สองลัทธิพระเป็นเจ้าเป็นลัทธิพรามวาทะที่สามลัทธิคอยโชคเป็นลัทธิอาชีวกอันหนึ่ง ในมหาโพธิชาดกจัดอุดเฉทวาทะคือผู้มีวทะวาขาดศูนย์เข้าชุดมิจฉาวาทะเหล่านี้รวมเป็นสี่วาทะทางธรรมปฏิเสธลัทธิเหล่านี้เพราะขาดต่อกฎธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยแต่ให้มองหาสาเหตุของทุกตามกฎธรรมดาที่ว่านั้นโดยมองเหตุปัจจัยเริ่มที่ตัวคนและในตนเองได้แก่กรรมคือการกระทาการพูดการคิด ที่ดีหรือชั่วซึ่งได้ประกอบแล้วและกำลังประกอบอยู่และที่ได้สั่งสมไว้เป็นลักษณะนิสัยตลอดจนการตั้งจิตวางใจต่อสิ่งทั้งหลายและการมีความสัมพันธ์อย่างถูกต้องหรือผิดพลาดกับเหตุปัจจัยในบรรดาสภาพแวดล้อมในขั้นพื้นฐานท่านกล่าวลึกลงไปอีกว่าตัณหาความทยานอยากที่ทาให้วางใจวางตัว ปฏิบัติตนแสดงออกสัมพันธ์และกระทำต่อชีวิตและโลกอย่างไม่ถูกต้องอย่างไม่เป็นไปด้วยความรู้ตามเป็นจริงแต่เป็นไปด้วยความยินดียินร้ายชอบชังเป็นต้นตลอดจนกิเลสปกป้องตัว ต, วตนทั้งหลายเช่นความกลัวความถือตัวความริษยาความหวาดระแวงเป็นต้นที่สืบเนื่องมาจากตัณหานั่นแหละคือที่มาแห่งปัญหาความทุกข์ของมนุษย์ตัณหามีสามอย่าง คือกามตัณหาอยากกามได้แก่อยากได้อยากเอาอยากเสพอย่างหนึ่งภาวะตัณหาอยากพบได้แก่อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากคงสถานะอยู่ตลอดไปอยากมีชีวิตเนื้อรนดร อ, อย่างหนึ่งวิภาวะตัณหาอยากสิ้นพบได้แก่ปรารถนาภาวะมาลายสิน้นสูญอย่างหนึ่งและเลึกลงไปให้ชัดกว่านั้นก็ดูที่กระบวนการแห่งปฏิจจสมุขบาทร ก็จะเห็นตั้งแต่อวิชชาซึ่งเป็นมมลของตัณหาว่าเป็นที่ไหลเนืองมาแห่งปัญหาประดาทุกนั้นเมื่อใดกำจัดอวิชชาตัณหาที่เป็นต้นตอของปัญหาและซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ได้แล้วมนุษย์ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกิเลสปกป้องเบ่งขยายตัวตนทั้งหลายเมื่อนั้นเขาก็จะสามารถปฏิบัติต่อชีวิตและสัมพันธ์กับโลกทั้งส่วนมนุษย์สัตว์อื่นและธรรมชาติ ด้วยปัญญาที่เข้าใจสภาวะและรู้เหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงซึ่งทำให้แก้ปัญหาได้จริงอย่างเต็มความสามารถและสติปัญญาของมนุษย์แม้ความทุกข์จะมีเหลืออยู่ก็เป็นเพียงทุกข์ตามสภาวะของธรรมดาและทุกข์ที่เหลืออยู่น้อยแล้วนั้นก็ไม่มีอิทธิพลครอบงำจิตใจของเขาได้ในเมื่อไม่มีอิทธิพลของตัณหาครอบงาอยู่ภายในภารกิจของเขา จะมีเหลืออยู่เพียงการคอยใช้ปัญญาศึกษาพิจารณาสถานการณ์และเรื่องราวทั้งหลายที่เกี่ยวข้องให้รู้เข้าใจสภาวะและเหตุปัจจัยตามเป็นจริงแล้วจัดการด้วยปัญญานั้นให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแต่ตราบใดกิเลสที่บิดเบือนครอบงำและที่ทำให้เองนเอียงทั้งหลายยังบีบคั้นบังคับมนุษย์ให้เป็นทาสของมันได้ตราบนั้นมนุษย์จะไม่สามารถแก้ปัญหากระจัดทุกข์ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายนอกหรือทุกภายในแต่ตรงข้ามเมื่อจะแก้ปัญหาเขามักกลับทำปัญหาให้นุงน่งนางซับซ้อนและขยายตัวมากขึ้นในรูปเดิมบ้างในรูปของปัญหาใหม่ๆอื่นๆบ้างเมื่อถูกทุกบีบคั้นภายในแทนที่จะดับหรือสามารถลดทอนปริมาณแห่งทุกให้เบาบางลงได้ด้วยปัญญาก็กลับถูกตันหาบีบกดให้ชดเชยออกไปด้วยการเติมทุกที่ใหญ่กว่าเข้ามา หรือระบายทุกนั้นออกไปให้เป็นโทษภัยแก่คนอื่นและแก่สังคมความทุกข์และปัญหาของมนุษย์ได้เป็นมาและเป็นอยู่อย่างนี้ตามอำนาจบงการของตันหาที่มีอวิชชาคอยหนุอนอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด